กามาวจรทุกะหนึ live awesome. eh ่งกุศลติึกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกไนหกสิบสองสภาวธรรมที่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ย่อหกสาเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามะนปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อณธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ่งขยายสหาชาติวาระเป็นต้นให้พิดารณาหสิบสี่ สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นขุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นขุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นขุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นขุศลโดยเหตุปัจจัยย่อหกส้าเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ บทที่เป็นกลางวจรใีหนึ่งวาระบทที่ไม่เป็นกลามวจรในสองวาระอนันตระปัจใจมีสามวาระบทที่เป็นกลางวจรในสองวาระบทที่ไม่เป็นกลางวจรใีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจใจมีสองวาระละถึงอุปนิสเสียปัจจัยสี่วาระอาเสวณปัจใจมีสามวาระกรรมปัจใจมีสองวาระอาหาระปัจใจมีสองวาระ ละถึงนาทิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อหกสิบหสภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ ชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 67. สภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรซึ่งเป็นอัพญากฤิตราศัยสภาวธรรมที่เป็นกรมวจรซึ่งเป็นอัพญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรซึ่งเป็นอัพยากฤิตราศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกรรมวจรซึ่งเป็นอภิญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นกามวจรซึ่งเป็นอภพยากรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกรามวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นอัพยากรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อหกสิบแปดเหตุปัจจัยมีก้าวาระอรมณปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีหวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมยุญตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิขตะปัจจัยมีสามวาระ ย, ะจจยาะพึ้นขยายชาชาตะวาระเป็นต้นให้พิสดาร69สภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นนพยากฤต เป็นปัจจ ha ัยแค่สภาวธรรมที hers, ่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นอพยากฤิโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรซึ่งเป็นอัภยกฤิเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรซึ่งเป็นอภยกฤิโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเจ็สิบเหตุปัจจัยมีสวาระอารมณปัจจัยมีสีวาระอธิปฏิปัจจัยมีสวาระ บทที่เป็นกามวจอนมีหนึ่งวาระบทที่ไม่เป็นกามวจอนมีสามวาระเฉพาะบทที่เป็นกรมรมวจอนเป็นสหชาตาธาิปติอันันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันต ร, ปร ะ, ะ, น ะ, นะปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญ ะ, ะปัจจัยมีหกวาระนิเชียปัจจัยมีเจดวาระกูปานิเชียปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระ ปาชาติปัจจัยมีสองวาระอาเสวรณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมี่วาระวิปาตปัจจัยมี่วาระอาหาราปัจจัยสี่วาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจใจมีสามวาระอติปัจจัยมีเจดวาระนติปัจจัยสี่วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเจดวาระย่อ เกรูปาวจระทุกกะหนึ่งภูษะติกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเจ็ดสิเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเจ็สิบสองเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงณปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอเจวะณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ พึนขยายสหชาตะวาระเป็นต้นให้พิดารณาเจ็ดสิบสาสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อเจ็สิบสี่เหตุปัจจัยมีสองวาระ อารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระบทที่เป็นรูปาวจรมีหนึ่งวาระเป็นสหชาตาธิปติเท่านั้นบทที่ไม่เป็นรูปาวจรมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระ บ, บ, บทท claro, <issors> <lerde> <ule> ี่เป็นรูปาวจรมีหนึ่งวาระบทที่ไม่เป็นรูปาวจรมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตตปัจจัยมีสองวาระ และถึงปูปานิสยปัจใจมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระและถึงอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอภพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นรูปปาวจรซึ่งเป็นอภิยากฤรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปปาวจรและที่ไม่เป็นรูปปาวจรซึ่งเป็นอภิยากฤรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเจสหเหตุปัจจัยเนี่วก้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระอสิวะณปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตาปั จ, จัจในก้าววาระย่อเหมือนกับอพยากฤษตในกามาวจรทะทุกะวาระก็มีประมาณเท่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายพึงขยายจาชตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารทุกปัจจัย 95. อรูปาวจรทะทุกะ 1. กุศลติกะ๑7ปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจยะจตุกนัยเจ็ดสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุปัจจัยย่อเจ็ดสิบแปดเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึง ณอาศวณปัปจัยจมีหนึ่งวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อเพื่งขยายสหาชาตะวาระเป็นต้นให้พิจาราเจสิบสภาวธรรมที่เป็นนรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นนรูปาวจรซึ่งเป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ80เหตุปัจจัยมีสองวาระอรมาณะปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสองวาระละถึงอุปาณิเสยปัจจัยมีสี่วาระอาศัยวะปัจจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยมีสองวาระนาถิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อแปสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยอ่อ สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอภพยากตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากต อาจัยสภาวธรรมที่เป็นนรูปราวจรและที่ไม่เป็นนรูปราวจรซึ่งเป็นอภิยากฤรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อแปดสิบสองเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติป oh er ัจจ ah ัยม uh no ีสองวาระละถึงณปุไรชาติปัจใจมีสี่วาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอาจิวะณะปัจจัยมีสองวาระณกรรมะปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ ซึ่งขยายสหชาตะวาระเป็นต้นให้พิจารณาแปสบสาสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากรโดยเหตุปัจจัยย่อ ปดสิบสี่เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอรูปาวจรเป็นมูลมีสองวาระบทที่ไม่เป็นอรูปาวจรมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระบทที่เป็นอรูปาวจรเป็นมูลมีสามวาระบทที่ไม่เป็นอรูปาวจรมีหนึ่งวาระอนันตร์ปัจจัยมีสี่วาระละถึง สหชาตปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาศัยวณปัจจัยมีสวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสองวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระ วิบยุตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัตติปัจจัยมีสวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระยอ่อ 96. ปริยาป น, นัทุกะ 1. กุสลติกะ 1. ปฏิจจวาระปัจจะยจตุกไน 85. สภาวธรรมที่นับเนื่องในงวัตทุก์ซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่นับเนื่องเหนือวัตทุกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัตทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัตทุกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อแปดสิบหกเหตุตุปัจมีสองวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเหมือนกับกุศลในโลกิยะทุกกะ พึงขยายสหชาตวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาแปสิบเจสภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตทุกข์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตถุซึ่งเป็นอกุศนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุุปัจมีหนึ่งวาระอารมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตวาระ ถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ88สภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตถุซึ่งเป็นอับพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตถุซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุซึ่งเป็นอนัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุซึ่งเป็นอับพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่นับเนึ่งในวัตทุกข์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่นับเนึ่งในวัตทุกและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อแปดสบเ้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับอัพยากฤตในโลกิยทุกกะเพื่งขยายสหาชาติวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัย97นิยานิกะทุกกะ1กุศลตะกะ1ปฏิจจวาระปฏิยัติยตุกไน90สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากเวททุกซึ่งเป็นกุศลอาศัย ส, สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากเวททุกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททุก ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อ91เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อเหมือนโลกเรียทุกกะพึงขยายสหาชาติวาระและปัญหาวาระให้พิจารณา92 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวตาทุกซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวตาทุกข์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุุปัจมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ซึ่งเป็นอภยยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดเึื่อพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรหันต์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระเก้าสิบปดนิยตทุกกะหนึ่งกุศลละุกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเก้าสิบสี่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ95เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อเหมือนกับกุศลในโลกียะทุกกะพึงขยายสหาชาตวาระและถึงปัญหาวาระให้พิดารณา96 สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ๙๗เหตุปัจจัยมีสองวาระอารัมณปัจจัยมีสองวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปฏิปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนกรรมะปัจจัยมีสองวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเพื่ขยายสหชาตะวาระเป็นต้นให้พิจาราเ้าสบปด สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยยอ่อ๙๙เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระ ธิปติปัจจัยมีสองวาระบทว่าน ouais ิยตะเป็นสหชาตาธิปต MM <dual S 1> <Burada S 2> ิบทว่าอนิยตะที่สองเป็นอารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอนันตรปัจจัยมีสองวาระและถึงนิสยาบัจจัยมีสองวาระอุปานิสยาปัจจัยมีสามวาระอายาวุนาัจจัยมีสองวาระดรมมะบัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อหนึ่งรสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระ ละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระเกสิบสอุตระทุกกะ 1. หนึ่งกุสลติภะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจะตกในร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุต ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อร้อยสองเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมาณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ่อขยายสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารทุกปัจจัยร้อยสาม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 สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอภิยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอภิยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอภิยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอภิยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า และที่ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อร้อยสเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมาณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุก ป, ปัจจัยเหมือนกับอัพยากฤิในโลกิยะทุกกะ ถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนัยร้อยห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุุปัจมีหนึ่งวาระอา ร, รมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัตจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตวาระ ละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระร้อยหสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัต์ร้องไห้ซึ่งเป็นอคุสนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัต์ร้องไห้ซึ่งเป็นอคุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระ ละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระร้อยเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้ื่นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตาวาระ ละถึงสัมยุญตะวาระทุก ป, ปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระร้อยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องให้ซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องให้ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะเปตทิทุกะและกุศลตึกะจบหนึ่งร้ยสารณทุกะสองเวทนาตึกะหนึ่งปฏิจจาวาระปัจจะจตุกนาหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้นเพระเหตุตุปจาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสอเหตุตุปจาใจมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตปัจจัยม uh ีสองวาระย่อพึ่งขยายสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยมสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งสัมพยุติทุกเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อ4เหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาจารตวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจาดานทุกปัจจัย5สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ ซึ่งสัมปยุทด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุต์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุต์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อ 6. เหตุถูปัจจัยมีสองวาระ อารามณ์เนปัจใจมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจใจมีสองวาระย่อพึ่งขยายจัาระทัวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจใจสารณะทุกกะและเวทนาตื่นกะจบหนึ่งรสารณทุกกะสวิปากะตื่กะหนึ่งปฏิจจวาระปฏิยจตุกนายเจ็ด สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรม mm hmm. ah ที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระแปด สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเก้าเหตุตุปัจจัยมีสองวาระ ารามณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อพึ่งขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยย่อ สิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรามะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระหนึ่งร้ารณทุกกะสอุปาทินติแปะหนึ่งปฏิจจวาระปัยจยะจตุกนัยสิบเอด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 อารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งรอ้อสารณทุกกะหสังกิเลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ ซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สักร้องไห้ซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุถปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตวาระละถึงป <an> ัญหาวาระทุก <mul> ป <berries gaming> <im> ัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ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 แระถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ17เจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัย่อเหตุูปัจัยมีหนึ่งวาระอรามณปัจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งร้สระทุกะกะหวิตกติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจิยะจตุกนัยิสิบปสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อสิบเก้าเหตุตุปัจมีสองวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิดารายี่สิบสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้ซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้ซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจัยมีปัจใจละหนึ่งวาระยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัด ร, ร้องไห้ซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัด ร, ร้องไห้ซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ <cone> เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยอ่อเหตุ ป, ปัจใจมีหนึ่งวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อหนึ่งร้อยสาระทุกกะเจตปิติตุกะหนึ่งปฏิจจวาระปัญญญจจยะจตุกนัญยี่สิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งสหรคด้วยปิติอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งสหรคด้วยปิติเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไ um, ม่เป็นเหตุให้สัตวาร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ัตว์ร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิสาเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยยี่สิบสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป <narrative> ็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้ื่นพระเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้ื่นพระเหตุตุปปัจจัย ย่อยี่สิห้าเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาร ะ, ะ, าะจจย่อพึ่อขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณายี่สิหสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสะหระรโคดูเบขาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งสะหระรโคดูเบขา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งสหรฆ وذ ูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งสหรฆ وذ ูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิเจ็เหตุปัจจัยมีสองวาระอรามะนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ่อขยายสหาชาติวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิจาราหนึ่งร้อยสรณทุกะแปทัศเนนะปหาตาพาติกะหนึ่งปฏิเจวาระปัจยจตุกนัยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุต่ปัจจัยย่อ เฮสุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระยี่สิบเกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จะดร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักหรือมักเบื้องบนสามเกิดขึ้ื่นพระเหตุถูปัจจัยเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อหนึ่งร้อยจารณะทุกกะเก้าทัศเนนะปะหาตับพาเหตุทุกกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะจตุกนัยสามสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุตห อ, อันต้ตองประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่เ ป, ป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตวาระ ละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 32. สา er มสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ่นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิ ena, คตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกป e ัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสาสสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญาปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระและถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงขยายให้พิสดารทุกปัจจัยหนึ่งร้อยสาระทุกกะสิบอาจยะคามิตุกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยยะจตุกนัยสามสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาสัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสาสิห้าเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ่งขยายสหชาติวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิสารทุกปัจจัยสามสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ใ, ตรรให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ใ, ตรรให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระอรารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ ชาตาต ว, วาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสาสิเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว <Louise> ์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานอาศัยสภา ว, วะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ตร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่ <ละ S 1> ยอ เ, เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสรณะทุกกะสิบเอ็ดเศขัดเถกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยิสามสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งเป็นของเศษขะบุคคล อาจใส่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นของเสลขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสามสิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งเป็นของอาศัขับบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ร้องไห้ซึ่งเป็นของอาศัขับบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัวรร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัวรร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตกรร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคล เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตรองให้ซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตรองให้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตรองให้ซึ่งไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่อ41เหตุปัจัจมีห้าวาระอรมณปัจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจัยมีห้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารทุกปัจจัย